จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ซึ่งปกติแล้วทางรายการก็ได้นำธรรมบรญญายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยมังคโลโอมาเสนอแด่ท่านสาธุชนเป็นประจาวันนี้ก็เช่นเคยจะได้นาเสนอธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่สาธุชน เราว่าพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนี้ได้มีความลังเลสงสัยในเรื่องของการทำบุญและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าบุคคลนั้นๆจะได้รับบุญกุศลที่เหล่าญาติได้บงเพ็ญอยู่ในมนุษย์สโลกนี้แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นั้นโดยการเขียนชื่อบ้างโดยการ ทำเครื่องหมายบ้างเขาเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่ในธรรมะบรรยายในเรื่องที่จะนำเสนอสู่ท่านสาธุชนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลได้ชี้แจงอธิบายให้แก่ผู้เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเหล่าผู้ไปบาเพ็ญบุญกุศลที่วัดหลวงพ่อสดธรรมะกายารามได้รับฟังทางธรรมะส่สันติในวันนี้ก็นามาฝากท่านสาธุชนเพื่อเป็นธรรมบรรณาการ ท่านผู้ฟังทุกท่านจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาพร้อมกันตั้งใจสดับเนื้อหาสาระของธรรมบัญญายในเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือไม่ขอเชิญติดตามพร้อมกันคุณจะพูดว่าผู้ที่จะได้รับส่วนบุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาใม่ คือการอนุโมทนาส่วนบุญย่อมได้บุญเพราะฉะนั้นผู้อนุโมทนาเนี่ยใครก็ตามอนุโมทนาบุญที่เขาทําแม้พวกเราเนี่ยอนุโมทนาบุญที่เขาทําย่อมได้บุญบุญนั่นหมายถึงธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ชาระเครื่องเศร้าหมองของใจความเห็นแก่ตัวความตรณีเหนียวแน่นเป็นต้น ความยึดความติดยึดตัวยึดตนยึดเป็นของตนเหล่านี้เป็นตน้น mm hmm. เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับส่วนบุญนี่ให้ตั้งใจฟังให้ดีนะจะได้บุญต่อเมื่อหนึ่งรู้ว่ามีผู้ทำบุญแล้วอุทิส่วนบุญให้อืมอุทิส่วนบุญให้มี ผู้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้จะเป็นญาติหรือไม่ใช่ยาติก็ตามจะเป็นใครก็ตามรู้ว่ามีผู้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้นี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองตั้งใจอ น, อนุโมทนาบุญนั้นเสมือนหนึ่งรู้ว่ามีคนจุดเทียนเล่มหนึ่งขึ้น ผู้รับส่วนบุญไปขอต่อเทียนก็ได้แสงสว่างชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ที่รับอนุโมทนาส่วนบุญนั้นได้บุญตามหลักพุทธศาสนาชื่อว่าปัตตานนโมทนาใหมา่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญส่วนผู้ให้บุญละ่ะต้องเป็นผู้ทาบุญแล้วอุทิศให้ ผู้ทำบุญอุทิศให้ได้บุญสองต่อต่อหนึ่งเมื่อทำไปแล้วได้เองหนึ่งอุทิศส่วนบุญไปเขาอนุโมทนาส่วนบุญเราพลอยได้ด้วยอีกหนึ่งเหมือนกับเรามีเทียนของเราอยู่คนอื่นมาขอต่อเทียนจากเราไปเขาสว่างขึ้นเราก็พลอยสว่างไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นนึกถึงธรรมชาติต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะพบว่า ผู้ที่จะได้บุญด้วยจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนั้นต้องรู้ว่ามีการทำบุญและมีการอุทิศส่วนบุญสัตว์บางอย่างเมื่อล่วงลับไปแล้วเป็นธรรมชาติเลยมันไม่รู้อย่างเช่นสุนัขเนี่ยมันดิ่งดองดองององ อ, งอยู่ในวัดเนี่ยใครทำบุญอุทิศไปเท่าไหร่สุนัขไม่รู้เรื่อง จะไม่ปรากฏเห็นยังไม่เคยเห็นสุนัขตัวไหน ย, ยกมือขึ้นหรือว่ากลาววาา่ า, าว่าสาธุหรือแสดงอาการ่าสาธุไม่เคยเห็นเพราะมันไม่รู้ว่าก็าทำอะไรเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่าใดที่ไม่รู้ว่ามีการทำบุญแหละอุทิศส่วนบุญให้และก็ไม่ได้อนุโมทนาบุญนั้นไม่ได้บุญเสมอไปหรือรู้ว่ามีการทำบุญอุทิศส่วนบุญให้แต่ตัวไม่ยอมอนุโมทนาบุญก็ไม่ได้ เช่นสามีภรรยาภรรยาใจบุญมาทำบุญสามีรู้บอกไปทำไมประเหมาะขัดขวางกะเลยไม่อนุโมทนาก็ไม่ได้บุญนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าสามีฉลาดภรรยาไปทำบุญกลับมาเออสาธุอนุโมทนาด้วยเอาได้ด้วยกันลูกเต้าเราก็เหมือนกันสัตว์บางประเภท เมื่อรับรู้ข่าวการบุญพอใจจะอนุโมทนาก็อนุโมทนาไม่พอใจก็ไม่อนุโมทนามีอยู่ศัพ์รประเภทนี้ได้แก่เทพยาดาที่สเวสวยสวรรค์สมบัติเลิดเคลืนด้วยทิพยสมบัติอันละเอียดดีแล้ว หรือสูงละเอียดขึ้นไปเป็นพรมเป็นอรูปพรหมแม่เสวยฌานสมาสมมาบัตรรูปปฌานอารูปประฌานอิ่มอยู่ไอ้บุญที่เราอุทิศให้เป็นแค่ทิพย์พรหมไม่อนุโมทนาหรือเฉยๆเขาก็ไม่ได้แต่บานอย่างชมอนุโมทนาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทานบุญจากการบริจาคทานเขาอาจจะอิ่มในรูปประฌานเขาก็ไม่ไม่อนุโมทนาเขาอาจจะรู้ได้แต่ไม่อนุโมทนาเพราะไม่ละเอียดพอ แต่ถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ถ้าเขารู้และถ้าเขามีปัญญาด้วยบุญของเขาเองเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญสัตว์บางเหล่าไม่ได้ไม่มีอุปนิสัยมาก่อนเช่นเปรตเปรตที่มีหลายประเภท นับไปถวนเยอะแยะเลยบางเราก็อยู่ไกลด้วยความที่บาปอากุศลนั้นหนักไม่มีอุปนิสัยในการทำบุญเลยเราทำบุญไปถึงยากจะอุทิศให้ก็ไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องเปรตบางตนน่ยเราอาจจะเคยได้ยินสมัยพุทธกาลน่ย ว่าที่เขาคิดจะขูดร้องเสียงโหยหวนไม่ทราบว่าพระอรหันต์องค์ใดได้พบได้เห็นเห็นเปรตตนนั้นก็มาคูณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรับว่ามีเปรตเช่นนั้นก็ไม่เห็นมีใครอุทิศได้เพราะธรรมชาติของเปรตตนนั้นเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้เลยนอนเหมือนงูไรทําลองนั้นทําลองนั้นนะอัตมาอุปมาอุปมา สมมตอิอคือคือว่าพูดในลักษณะว่าคาดชเนีว่าทำนองนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้ให้ตรึกออกอย่างสัตว์นรกอีกอย่าง น, นสัตว์นรกนี่มันเหมือนคนอยู่ในคุกที่ลึกๆ ล, ล, ล, ล, ลงไปตามส่วนยาิทำกับข้าวที่นี่ไปฝากให้ผู้คุมบางทีก็ถึงบางทีก็ไม่ถึง ปะเหมาะก็ไม่สามารถจะส่งไปได้นี่อุปมาอุปไมยตามสว่วนแต่ว่าสัตว์นรกนั้นด้วยวิบากกรรมเขาอยู่ลึกเขาไม่มีโอกาสรับรู้ไม่มีโอกาสรับรู้การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเขาก็เลยไม่ได้นะุโมทนาทั้งหิวทั้งโหยไม่ได้เปรตที่จะได้รับส่วนบุญมีโอกาสได้รับส่วนบุญมากที่สุดคือเปรตที่อยู่ใกล้ๆกับคน ชื่อว่าปรทัศตูชีวิกระเบิดเปรตเหล่านี้อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆมีการอุทิศส่วนบุญเขาอาจจะได้ยินเขาอาจจะรู้อันนี้ถ้าเขาอนุโมทนาส่วนบุญพุทธได้บุญเลยได้บุญเลยอย่างนี้เป็นส่วนเทพยญดาชั้นต่ำๆอุทิศส่วนกุศลให้เขารับเลยทีนี้ ที่อาตอมาจะพูดรายละเอียดทั้งหมดและอาตอมาจะไปสรุปเรื่องนี้ที่นี่มาถึงเรื่องออคำถามมาเรื่องต่อคำถามว่าจะทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแดบ่บรรพบุรุษล่วงลับไปแล้วมันขึ้นต้นว่าจะทำพิธี นี่อันนี้อาตมาให้ฟังให้ดีโดยการจดชื่อบันพระบุรุษให้คณะสงฆ์ทมพิธีอุทิศส่วนกุศลให้จะได้รับส่วนบุญทุกคนหรือไม่อย่างไรการได้รับส่วนบุญไม่ประกอบด้วยพิทีไม่ประกอบด้วยว่าต้องให้มาจดชื่อให้คณะสงฆ์อุทิศให้บุญเป็นของทายกภาิกา ไม่ใช่ของะสมผู้ที่จะอุทิศให้ได้ผลดีที่สุดก็คือตัวทายกพายิกาเองเปรียบสเสมือนว่าทายกพายิกาเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้ดอกเบี้ยได้ตกแก่ตัวเองจะยกดอกเบี้ยให้ใครย่อมได้ตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์หาใช่ผู้อื่นไม่ พระสงฆ์นี่จริงๆแท้ๆน ะ, ะเฉพาะในเรื่องทานกุศลพระสงฆ์นะกลับเป็นผู้รับอนุโมทนาบุญนะลองถามดูสิสาธุนันท่านเป็นผู้รับอนุโมทนาบุญแล้วท่านอุทิศส่วนกุศลนั่นท่านไม่จำเป็นต้องอุทิศให้เฉพาะบุคคลสัตว์โลกใดสัตว์โลกหนึ่งรอกท่านอุทิศให โดยไม่จํากัดพระสงฆ์นี่ไม่ใช่วันเลือกที่รักมักที่ชังนะไม่ใช่อุทิศสุวนกุศลวันนิสิกระผมมาทํารักษาสีเจริญภาวนาและอนุโมทนาทานกุศลกับญาติโยมนี่ขออุทิศให้พ่อผมแต่ผู้เดียวเนะี่ยเชื่อแน่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ใจแคบอย่างนั้นท่านอุทิศให้หมดแหละไม่ต้องมาจดชื่อให้ท่านหรอกและท่านอุทิศได้เฉพาะส่วนของท่านนะ ส่วนของท่านคืออะไรส่วนที่ท่านอนุโมทนาบุญจากทายกทายกาที่เขาทําบุญนะ่ยก็เหมือนคุณโยมทั้งหลายเนี่ยอนุโมทนาสาธุพร้อมกันก็ได้บุญด้วยกันพระเหมือนกันพระได้บุญเหมือนเทวดาเทวดานะ่ยสาธุเดี๋ยวเด็กเด็กเดี๋ยวเด็ ก, ด ก, ดกอาตมาอยู่แถวนี้เอาถามเด็กดีกว่าสาธุเขาก็ได้เหมือนกันพระเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไอทีบะ่ะหนึ่งต้องทำพิธีไอ้นี่มันเรื่องเหมือนกับทำพิธีอะไรอะไรที่ดูให้มันขลังสร้างศรัทธานะ่ะคุณโยมอุทิศส่วนกุศลแด่พันธุ์บุษโดยการจดชื่อบรรพบรุษให้คณะสงฆ์ทาพิธีอุทิศให้แหมมันไม่ตรงเลยคุณโยมบุญมันของเรานะของทายกทายิการซึ่งจะเป็นผู้อุทิศให้แล้วมันได้เต็มที่ อย่างนี้สมมุติว่าคุณโยมทําบุญหนึ่งพันบาทพระผู้อนุโมทนาเนี่ยบุญจะเต็มหนึ่งพันบาทเท่าโยมไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดอาตมาข้อนี้ไม่ขอตอบว่าจะพระอนุโมทนาเนี่ยคุณโยมทําบุญหนึ่งพันพระจะได้หนึ่งพันด้วยหรือเปล่านี่นี่สมมุติว่าค่าตามตามคิดอัตราตามค่านะน้ําใจตามค่าแล้วท่านอุทิตไอ้ส่วนที่ท่านได้อนะ่ะ ให้ญาติโยมของเราแทนที่เราจะยื่นให้ไปโดยตรงไม่ได้นี่อย่างนี้แต่มันมีแต่นิดหน่อยนะคุณโยมนะแต่ไอตอนบอกกล่าวสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมของเราไม่ทราบว่าจะไปเป็นกาเป็นไก่เป็นหมูเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตก็ไม่รู้อุทิศไปเรื่อยๆ ข้อนี้ผู้ใดก็ตามไม่จำเพาะแต่พระสงฆ์จำไว้ผู้ใดก็ตามไม่จำเพาะแต่คณะสงฆ์ที่ปฏิบัติจนถึงอภินยามีทิปจักขุทิปโสตตโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถึงธรรมกายที่อาตมาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงธรรมกายนั้นมันถึงลูกถึงคนได้ ชัดเจนมันไม่บังเอิญเฉพาะที่ธรรมกายแก่ๆนะพีโยมนะธรรมกายพอสมควรก็พอใช้ได้อาตมาเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าธรรมกายนั้นมีแก่มีอ่อนธาตุธรรมนะมันเหมือนมะม่วงต้นเดียวกันลูกยังเล็กอยู่ก็มีแก่หน่อยก็มีใกล้จะสุกก็มีออกดอกพร้อมกันยังสุกไม่พร้อมกันฉันใดก็ฉันนั้นนะทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ถึงธรรมกายนั้น มันสามารถที่จะบอกกล่าวได้กว้างไกลชัดเจนกว่าคนที่ไม่ถึงธรรมกายหรือว่าเป็นธรรมดาซึ่งไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนี่มันแตกต่างกันตรงนี้แต่นั่นไม่ใช่จำเพาะแต่คณะสงฆ์ที่ใดที่หนึ่งนี่อัตามาจะชี้จุดนี้สงฆ์ใดก็ตามสามเณรใดก็ตามอุบาสกอุบาสิกาที่ไหนก็ตาม ที่มีอภิญญยาหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปฏิบัติถึงธรรมกายอย่างเช่นคุณหมอนี่ก็ได้นี่คุณหมอนี่อยู่โรงพยาบาลกนกรปฐมนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ได้พระสงฆ์ก็ได้สามเณรแต่ที่ไหนก็ได้เขาสามารถที่จะรู้เห็นบอกกล่าวบุญกุศลได้กว้างและไกลกว่าบุคคลธรรมดา นี่จุดมันตรงนี้เมื่อบอกแล้วสัตว์โลกใดจำไว้นะสัตว์โลกใดที่อยู่ในสภาวะที่สามารถจะรู้จะอนุโมทนาบุญได้สัตว์โลกนั้นก็ได้บุญแต่ถ้าทำยังไงก็รู้ไม่ได้ยังเปรตบางเหล่า หรือสัตว์นรกหรือที่ลึกลงไปถึงอาญกตนะโล ก, กันหรือสัตว์เดรัจฉานหรือสูงขึ้นไปเป็นเทพยาดาชั้นสูงที่เสวยที่พยะสมบัติละเอียดหรือพรหมรูปกระรมถึงรู้ก็ไม่อนุโมทนาหรือสัตว์ที่ไม่รู้ก็เลยไม่อนุโมทนานี่เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าใครทำก็มีผลเท่ากันคุณโยมพอเข้าใจมตรงมีผลเท่ากันและแม้ไม่มีการจดชื่อให้พระสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็อุทิศไอบุญของท่านเนี่ยให้แกสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณอยู่แล้วใครรับได้ก็รับอยู่แล้วคุณโยมเข้าใจจุดที่อาตมาพูดและเพราะฉะนั้นไอการที่ จดชื่อให้พระสงฆ์ว่าพระสงฆ์จะทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้นั้นมันเป็นเรื่องทำให้ดูขลังให้เกิดศรัทธาว่ามีแต่ที่นี่ทำได้ที่อื่นทำไม่ได้ทีนี้ถามว่าได้ผลไหมได้ผลไหมมันขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขสองข้อรู้ว่ามีผู้ทำบุญและอุทิศให้คือตัวเรานั่นแหละ ต้องทำบุญและตั้งใจอุทิศให้จริงๆแล้วพระท่านก็อุทิศส่วนของท่านเราอุทิศส่วนของเราจริงๆมันเป็นอย่างนี้และญาติของเราเช่นกันถ้าคู่ที่รู้ในเรื่องพระกรรมฐานเขาจะไม่เสนอให้อุทิศให้แต่เฉพาะพ่ อ, พอแม่สองสคนเพราะบุญมันไม่รู้จักหมดบุญไม่รู้จักหมดความดีในใจเราเนี่ยมันหมดเป็นหรือ แล้วคนอื่นเข้ามาอนุโมทนาบุญกับเราเท่าไรเท่าไรไม่มีประมาณเนะี่ยมันหมดหรือมันไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นควรที่จะอุทิจให้สัตว์โลกทั้งหลายโดยไม่มีประมาณจึงจะถูกต้องสมกับเป็นนักปฏิบัติภาวนาและพึงรู้ว่าถ้าหากว่ามันจะไม่ได้โดยไม่เข้าเงื่อนไขสองอย่างนี้ก็ไม่ได้เทวดาไหนก็ทำไม่ได้ธรรมกายก็ทาไม่ได้ ธ ร, รมกายทำได้ว่าสามารถที่จะบอกข่าวให้กว้างไกลออกไปเท่านั้นและธรรมกายนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ที่ไหนพระสงฆ์ของเราเนี่เอาวันนี้ประกาศอนุโมทนาซะเลยเอาตั้งใจอนุโมทนาณนะัตินี้ว่าพระสงฆ์ของเราขณะนี้นะสิบสามรูปถึงธรรมกายชั้นดีคือผ่านสิบแปดกายเข้าสู่วิชาชั้นสูงสามเณรหก อุบาสกอุบาสิกาสิบรวมเป็นยี่สิบเก้าท่านขอทุกท่านตั้งใจอนุโมทนาสาธุการณบัตรนี้ภาษาธุด้วยสาธุออย่างนี้ก็ได้บุญด้วยกันไปแล้วเขาทำได้นะเพราะฉะนั้นไอเรื่องทั้งหมดนี่เขาทำให้มันเกิดความขลังเพิ่มความศรัทธาประสาทะแก่สาธุชนได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขสองข้อ ทีนี้ถ้าว่าจะมีการว่า ก, กลั่นบุญกลั่นอะไรอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณโยมอาตมาก็เลยพอดีเวลาไม่พอพูดกันแค่ง่ายๆก่อนเอาเท่านี้เพื่อให้โยมเน่เข้าใจเสียมันไม่มีอะไรที่เศษตรงไหนหรอกปูชาจะปูชนียานังเอตมังขลมุตตะมัง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 เดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซ้กราบพระพุทธชัยมงคลขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอริมเนินสะดวกจังหวัดปราชบุรีที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยมังคโลในเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือไม่ประเดศประคุณท่านก็ได้ชี้แจงถึงหลักของเหตุผลว่าผู้ที่ล่วงลับไปนั้นอยู่ในภพภูมิใดและผู้ที่จะส่ง บุญกุศลไปให้นั้นอยู่ในฐานะเช่นไรและได้ทำคุณงามความดีอะไรซึ่งก็อ้างถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในส่วนของการอุทิศส่วนบุญที่เรียกว่าปฏิทานใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญและยังอ้างถึงต่อไปอีกว่าปัตตานุโมทนามหม่ บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญซึ่งหลักทั้งสองนี้ก็จําเป็นสาหรับผู้ทําบุญและผู้รับส่วนบุญที่จะต้องรู้และเข้าใจถึงหลักความจริงตรงนี้เสียก่อนจึงจะได้รับบุญกุศลที่เหล่าญาติได้อุทิศไปให้สาหรับผู้วายชนถ้าอยู่ในฐานะในภพภูมิที่สามารถจะมารับบุญกุศลได้ก็จะได้รับตามความประสงค์ของญาติทั้งหลายที่อุทิศให้ สาธุชนรับฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เราพบเจออยู่เป็นประจำและขาดเสียไม่ได้ในสังคมของชาวไทยที่ชอบการบำเพ็ญบุญกุศลและอุทิศให้แก่บุปการีบุคคลเช่นมารดาบิดาปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งก็ทากันเป็นประจาและขอให้ทาอยู่ในหลักของ พระพุทธศาสนาอยู่ในหลักของเหตุผลจะได้เข้าใจและจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมจะได้ไม่ลังเลสงสัยถึงผลว่าจะได้รับจริงหรือไม่สำหรับญาติของเราสำหรับรายการธรรมะสุสันติในวันนี้ก็ให้ความรู้แก่ท่านสาธุชนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก่อนจากกันวันนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตร และบุญกุศลที่สาธุชนได้ประกอบความเพียรมาดีแล้วจงมาเป็นตะบัดเดชะพลวะปัจจัยคุ้มครองให้สาธุชนเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบทั้งปวงและประสัตธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติและพระนิพพานสมบัติตตลอดการละนานเทินเจริญพร Yeah.